ขับรถไปชนเขาเมาแล้วด่าเขาคนอื่นเขาเขาเขาเมาแล้วมาเฉียวชนเรามาด่าเราเพราะเขาขาดสติเป็นยังไงสรุปแล้วคือคือเขาเราเพราะฉะนั้นให้รักษาเราการประกอบคุณงามความดีให้ตั้งต้นตั้งแต่เราอย่าไปคิดให้เขาทำนะ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 อญาติพี่น้องดวงวิญญาณของข้าพเจ้าที่ตกทุกข์แต่ยากขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งย่งขึ้นไปทุกๆท่านที่มีส่วนที่ที่จะมีส่วนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้อันนี้คือในหลักของพุทธศาสนาแต่นีิพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นในวันนั้นพอท่านได้ทาบุญเสร็จทาจ่านก็หยด